จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ใดมีศีลมีกำลังใจหรือมีปัญญาหรือไม่พุทธดรัดตอบศีลถึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันก็ศีลนั้นจะพึงรู้ได้โดยกาละนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้กำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย ก็กำลังใจนั้นจะพึงรู้ได้โดยการนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาก en ็ปัญญานั้นจะพึงรู้ได้โดยการนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อย ผู้สนใจจึงจะรู้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้